เช้าก็ได้พูดย้ำนะว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงความดีที่สำคัญก็คือความสุขการทำความดีการรักษาศีลทำกายวาจาใจให้สุจริตรวมทั้งการ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 เป็นความสุขจากการที่จิตใจมันปลอดโปร่งจากสิ่งร่าเราย่ายวนอันนี้เรียกว่าเนคขัมมสุขนะซึ่งได้พูดไปแล้วเมื่อเช้านะว่าเนคขัมมะนี่มันไม่ได้หมายถึงการออกบวชหรือว่าการมาถือศีลกายอย่างเดียวการที่จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งจากสิ่งร่าเราย่ายวนทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุขที่เรียกว่าเนคขัมมสุข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 สรีวายลิงคนนี้ก็จะหยุดฟังแต่ว่าฟังได้ไประเดี๋ยวเดียวแม่ก็ลากนะให้ไปขึ้นรถไฟนักดนตรีคนนี้อยู่สีประมาณ45นาทีได้เงินแค่20เหรียญคนฟังน้อยมากที่มันน่าสนใจก็เพราะว่านักดนตรีคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดากนะ็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อระดับโลกนะชื่อโยชัวเบล แล้วก็ไวรินที่เขาสีเนี่ยนะเพลงที่เขาสีเนี่ยเพลงที่เขาบรรเลง น, นี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อมากของบาร์กนะบาร์กนี่เป็นนักดนนักแต่งเพลงที่ไพเราะมากนะระดับโลกไวรินที่เขาใช้ในการสีนี่ก็เป็นไวรินที่เก่าสองสามรอปีแล้วแพงมากราคาหลายล้านหลายล้านนี่ล้านดอลลาร์นะไม่ใช่ล้านไทยนะล้านบาท ก่อนหน้าที่เขาจะมาสีบาลินที่ที่สนากรไฟใต้ดินเนี่ยเขาเคยเขาไปแสดงสดนะที่นิวยอร์กตั๋วเนี่ยราคาเป็น100ร้อยดอลลาร์นะแล้วก็หลายร้อยก็มีปรากฏว่าซื้อตัว๋วคดเนยซื้อตั๋วหมดเลยนะคนยอมเสียเป็น 100, 100ร้อยร้อยดอลลาร์เพื่อมาฟังเขาบรรเลง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 มันเป็นภาวะที่เบาสบายปลอดโปรง่งนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ถูกรล่าเรานะด้วยสิ่งเย้ายวนนะทําให้เพลิดเพลิหลงหลทําให้เกิดความอยากได้อยากครอบครองไอความเพลิดเพลินหลงไหลอยากได้อยากครอบครองนี้ก็ทำให้ทุกข์นะจะมีไมีทุกข์อีกแบบหนึ่งนะที่ทําให้ที่เป็นปฏิปักษ์กับเนคขมัสสุ ก็คือจิตที่ผลักไสต่อต้านไอ้ความลหลงใฝ่ายหาอยากเสพอยากครอบครองการมาสุขอันนี้ก็ทําให้ทุกข์แต่ว่านอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยจิตที่ผลักไสปฏิเสธก็ทําให้ทุกข์นะแล้วทำให้ไม่สามารถจะสัมพังกับความสุขทางใจได้2 อ, อย่างนี้มันตรงข้ามกันแล้วอันนึงเนี่ย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 หลายคนอาจจะตอบว่าเป็นเพราะกะปิที่จริงไม่ใช่นะถ้าดูดีๆมันเป็นเพราะความเกลียดกะปิต่างหากความเกลียดกะปีนี่ทําให้ลิงเนี่ยมันต้องถูต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้กะปีหายไปกะปีไม่ทําให้ลิงเนี่ยมีบาดแผลนะแต่ความเกลียดกะปิต่างหากที่ทําให้ลิงเนี่ยมีแผลเพราะว่ามันก็จะพยายามถูถูถูถูถนั่นแหละ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 แลวความนิ่งก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งยิ่งผักสายมันยิ่งแบกนะยิ่งผักสายยิ่งยึดติดนะยิ่งเราเกลียดเสียงใจก็ยิ่งจดจ่อเสียงนั้นยิ่งเกลียดกลิ่นกลิ่นเหม้นใจก็ยิ่งจดจ่ออย่างลิงเนี่ยมันเกลียดกับปีมากแต่ว่ามันมันถูทีไรมันก็ต้องเอานิ้วมาดมว่ามีกลิ่นหรือเปล่าอันนี้ก็มือคนนะอย่าไปว่าลิงเลยถ้ามือเราไปถูก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 เสื่อมลาบเสื่อมยศนะถูกนินทานะหรือว่าเจอทุกข์เราก็มองว่าเออมันก็ธรรมดานะมีกับได้เป็นของคู่กันนะเจอกับจากพบกับพราดก็เป็นของคู่กันสารเสริอนนินทาเป็นของคู่กันพอเจอโลกธรรมไฟบวกเราก็ไม่ยินดีมากครั้นเจอโลกธรรมายลบเราก็ไม่หวั่นไหวนะเขาเรียกว่าไม่ยินร้าย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 ที่ทุกใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจรับมือกับมันเลยพอเจอปุ๊ก็ผักใสพอเจอปุ๊ก็คล่ําครวนพอเจอปุ๊ก็พยายามปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกวางใจเป็นกลางในเรื่องพื้นฐานที่เล่ามาคือว่า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 นะการพลาดจากสิ่งเป็นที่รักจริงหล่านีอา้อาจจะหมายถึงการสูญเสียแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทําให้ทุกข์ใจเสมอไปความตายเป็นทุกข์นะแต่ไม่ได้แปลว่าตายเมื่อจะตายเราจะทุกข์ใจเสมอไปเราสามารถที่จะสรงใจเป็นปกติได้สงบได้นิ่งไดนะ้เมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้ และนี่แหละคือรางวัลของการปฏิบัติธรรมรางวัลของการที่เราได้เตรียมตัดเตรียมมามาโดยตลอดจากการที่เราเริ่มปฏิบัติหรือมาปฏิบัติที่นี่วันนี้แล้วก็ที่ทําต่อๆไปอ่าแล้วคำนี้ก็เป็นเหเท่านี้นะครับครับ